นเย็นกับตอนเช้าก็ได้พูดไปแล้วว่าความทุกข์ของคนเราทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าส่วนใหญ่7จ8 0ก็ว่าได้นะเป็นความทุกข์ทางใจคนส่วนใหญ่ก็นยกว่าทุกข์เพราะพัดภาคสูญเสียจากทรัพย์สินเจ็บป่วย กานการล่มเหลวความสัมพันธ์ขัดแย้งสิจริงล่านี่มันเป็นเหตุนอกตัวแล้วเราก็คิดว่านั่นแหละคือตัวการของทุกข์แต่ที่จริงสายแห่งทุกข์อยู่ที่ใจของเราทุกข์เพราะความคิดนะแล้วก็ทุกข์เพราะความรู้สึกต่อต้านผลักไส ตัวอความคิดก็คือมันคิดไม่อยู่กับปัจจุบันมันชอบคิดไปในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่จงมาไม่ถึงทำให้เศร้าสศกเสียใจเครียดแค่หรือว่ากังวลหนักอกทำไมก็ปรุงแต่งในทางลบทั้งสิ่งที่เห็นอยู่ตอนหน้าทีไ่ได้ยินกับหูก็ปรุงแต่งให้มันเวลวร้ายลงไป แล้วก็ด่วนสรุปสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นบางทีก็คาดการไปนทางเลวร้ายก็ทำให้เกิดความกลัวความโกรธการคิดเปรียบเทียบทำให้ไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้อันนี้เป็นเรื่องของความคิดนะแต่ว่าที่สำคัญไม่น้อยก็คือความรู้สึกที่มันผลักไสต่อต้านไม่ยอมรับ ความรู้สึกเป็นลบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นที่มาของความทุกข์นะอย่างแท้จริงปัจจัยภายนอกที่เป็นส่วนประกรอบนะปัจจัยภายในต่างหากนะี่คือตัวการหลักอันนี้พระเจ้าเคยเปรียบไว้เหมือนกับคนที่จับยาพิษนะยาพิษนี่มันก็เป็นอันตราย แต่ถ้ามือที่จับเนี่ยไม่มีแผลยาพิษก็ทำอันตรายไม่ได้แต่ถ้ายาพิษแต่ถ้าเกิดว่ามือนี่มีแผลเมื่อไหร่ไปถูกไปต้องยาพิษนั้นก็มีอันตรายถึงตายจะตายหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่ว่ามือมีอมแผลหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะว่ายาพิษมาสัมผัสตัวเราสัมผัสยาพิษมาสัมผัสตัวเราแต่ถ้าตัวเราไม่มีแผลก็ไม่เป็นอันตราย แต่พอตัวเราหรือมือเรามีแผลเนี่ยมันก็เลยสามารถทำร้ายถึงตายได้มันอย่าไปโทษยาพิษต้องโทษว่าเนี่เป็นเพราะว่าเรามีแผลที่เปิดช่องให้ยาพิษมันมาทําลายได้อันนี้ก็เป็นบาปปรมัยก็เปลี่ยนมันก็ว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราเกิดขึ้นกับงานการของเราหรือ คนรักความสัมพันธ์ในสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใจเราไม่ไม่ไปไม่เกิดความบกพร่องขึ้นไม่เปิดช่องมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดทุกข์ได้ความคิดที่คิดไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกที่เป็นลบต่อสิ่งต่างๆนี่แหละที่มันเป็นตัวการทำให้ทุกข์ ตั้งความคิดปรุงแต่งก็ดีหลงไปจมอยู่กับอดีตอนาคตก็ดีหรือว่าความรู้สึกผักใส่ต่อต้านเนี่ยถ้าสาวไปให้ลึกๆนะมันก็มาสุดมาจบที่ความยึดติถือมัน่นในความยึดติถือมั่นนี่แหละที่มันเป็นรากเหง้านะเราเผลอคิดไปถึงอดีตเผลอไปนึกถึงเรื่องอนาคต ถ้าเรารู้ทันไม่ไปจมปรับไม่ไปยึดติดนะมันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่พอเราเผลอไปคิดถึงอดีตเข้าแล้วเราก็จมปรับจิตมันปักตรึงอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นที่ไม่ดีความสูญเสียความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตพอเราไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งนั้นเข้านะมันก็เราจมหายเข้าไป ในหลุมดำเหมือนก็ถูกดูดเข้าไปมันก็เลยเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับสิ่งที่เราปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งแล้วเรารู้ทันออมันก็ไม่เกิดความยึดติดขึ้นมาแต่ว่าเราไม่เราไม่รู้ทันเราก็ไปไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจังแทนที่จะมองว่ามันเป็นแค่ความคิดที่เรา เรคิดขึ้นมาเองจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นของจริงเป็นความจริงแล้วก็เลยทุกขนะ์ลองดูเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความความคิดที่ปรุงแต่งหรือว่าอารมณ์ที่ผักใสต่อต้านเนี่ยมันก็มีล่างเงาอีกชั้นนึงมาที่ความยึดมั่นถือมั่นทําไมเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเรารู้สึกเป็นลบกับความเจ็บป่วยนะเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นใน ในร่างกายนี้ว่ามันต้องมันต้องไม่เจ็บไม่ป่วยมันต้องให้ความสุขเราเวลาเราเห็นร่างกายเริ่มเหี่ยวเริ่มย่นนะมีผมหงอกนะหรือว่ากำลังวันชาลดลงทาไมถึงทุกข์ทำไมถึงรู้สึกเป็นลบกับความรู้สึกนั้นไม่ยอมนะไม่ยอมรับความจริง ก็เพราะมีความยึดมั่นถือมาว่าร่างกายนี้จะต้องหนุมต้องสาวนะพอมันไม่ไปอย่างที่คาดหวังอย่างที่ยึดมั่นมันก็เลยไม่เป็นทุกข์ทำไมเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจิตฟุ้งซ่านมีความคิดามากมายจึงรู้สึกเป็นทุกข์กับมันจึงต่อต้านผลักไสนะจนกระทั่งหงุดหงิดจนกระทั่งเครียด บางคนโมโหโกรธาที่ความฟุ้งซ่านไม่หยุดถึงกับเอารองเท้าแตะฟาดหัวก็มีว่าทําไมมันยังคิดมากอย่างนี้ทําไมคิดมากนะซ้ําเติมตัวเองนะทางกายและใจก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันต้องสงบหรือมีความอยากนะอย่าให้ใจอย่าให้จิตมาสงบยึดมั่นในความอยากนะ ไอ้ความอยากนี่ก็เป็นความยึดมั่นอย่างหนึ่งพอเราอยากแล้วมันก็อยากมันก็ยึดมัน่นว่าต้องเกิดสิ่งนั้นให้ได้พอไม่เกิดก็ไม่พอใจเกิดการการผลักไสต่อต้านที่จริงมันแก้ไม่ยากในเวลามีกมีความคิดฟุ้ฟงซ่านเนี่ยเพียงลดความอยากลงจิตมันก็จะไม่ไปต่อต้านผลักไสไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นมันก็ยอมรับได้เออการที่จะเห็นมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็จะก็จะเกิดขึ้นได้มันฟุ้งก็ดูกันไปนะไม่ไม่ยินร้ายกับมันเนี่ยลองพิจารณาดูนะมันความทุกข์ทางใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วนี่มันก็มีรากเง้ามาจากความยึดมั่นถือมั่น บางคนก็สงสัยนะว่าทาไมสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราปลักายทําไมมันกลายเป็นความยึดมั่นได้ทั้งที่มันน่าจะตรงข้ามกันแต่ว่าเราลองมาไข้ไควยให้ดีก็จะพบว่าเวลาเราไม่ชอบสิ่งใดก็ตามเราก็จะนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอเพื่อจะหาทางกําจัดหาทางผลักสายออกไปเวลาเรา นั่งทำสมาธิหรือว่าฟังธรรมอยู่นี่มีเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากในห้องในศาลานี่หรือเสียงมอเตอร์ไซค์ดังจากข้างนอกหรือว่าเสียงรถนะขายของประกาศเราไม่ชอบเสียงนั้นเพราะว่ามันรบกวนสมาธิของเรารบกวนความสนใจของเราพอเราไม่ชอบเกิดอะไรขึ้น ใจเราก็ไปปักตึงอยู่กับเสียงนั้นและยิ่งใจเราปักตึงอยู่เสียงนั้นมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งได้ยินเสียงนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นดังขึ้นดังขึ้นยิ่งสนใจมันมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าขยายเสียงให้ดังขึ้นในความรู้สึกของเราก็เลยเป็นนั้นว่ามันดังลงงมอยู่ในหัวจนกระทั่งฟังคําบรรยายออตมาไม่รู้เรื่องหรือว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่ก็เลยเกิดความหงุดหงิดขึ้นมานะ่ ที่จริงเสียงไม่ใช่ปัญหานะแต่เป็นเพราะใจเราที่มันไม่ชอบเสียงนั้นพยายามผลักเสียงนั้นออกไปจิตมารู้สึกเป็นลบต่อเสียงนั้นมันก็เลยกลายเป็นยิ่งสนใจยิ่งปักตึงอยู่กับเสียงนั้นนะความดังมันก็เลยดังมากขึ้นแต่พอเราไม่สนใจเสียงนั้นมันก็มันก็จะรู้สึกค่อยลงเบาลงในความรู้สึกของเรา ยิ่งพักยิ่งเกลียดยิ่งไม่ชอบเนี่ยมันยิ่งยึดติดนะเราไม่ชอบใครสักคนเราก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นแม้ว่าจะมีคนมากมายอยู่ในสถานที่นั้นแต่พอมีคนที่เราเกลียดขี้หน้าเข้ามาในห้องนั้นในสถานที่นั้นตาเราเนี่จะไม่สนใจใครเลยเราจะจดจ้องอยู่กับคนคนนั้นแหละจะนักที่มีคนอีกเป็นร้อยที่อยู่ในห้องนั้นแต่เราไม่สนใจแล้ว จิตใจและสายตามนี่ยจดจ้องอยู่คนนั้นคอยดูว่าเขาเดินไปไหนเขาพูดกับใครและถ้าเกิดเขาพูดกับคนใดเราก็จะไม่ชอบคนนั้นด้วยผ่านเกลียดคนนั้นคือคนที่พูดคุยกับคนที่เราไม่ชอบยิ่งเกลียดยิ่งก็ยิ่งนึกก็ยิ่งจดจอ่อยิ่งใส่ใจกลิ่นใดที่เราไม่ชอบกลิ่นเหม็นเกิดมือเราไปถูกต้องไปสัมผัส ปลาละน้ำปลาขี้หมามันเหม็นมากเราไม่ชอบกลิ่นนั้นเราทํำยังไงเราก็ล้างพยายามเช็ดให้มันหายหายเหม็นแต่พอล้างเสร็จเราทําไงเราก็ดึงนิ้วดึงมือมาดม <c oughs> ดมก็เห็นก็รู้สึกวมันยังเหม็นอยู่ก็ล้างเช็ดแล้วทำไงเอามาดมอีกนะยิ่งเหม็นเท่าไหร่ก็ยิ่งดมมากเท่านั้นอันนี้แหลเรียกว่าความ ยิ่งเกลียดยิ่งผักสายก็ยิ่งยึดติดนะเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็ยึดติดและพอเห็นนี่เองสิ่งที่มันสลัดได้ยากเนี่ยจึงมี2 อ, อย่างก็คือ1สิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นเงินทองบ้านรถยนต์แก้วแหวนคนรักลูกพ่อแม่พว้นี้ให้ความสุขกับเราเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็สลัดได้ยาก ของหายแล้วก็เป็นทุกข์นะลูกไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งคนรักเราตายจากไปยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะไม่ยอมเพ่อยังยึดติดนะไม่ยอมสลัดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอีกสิ่งที่เราอีกสิ่งนึงที่เราสลัดได้ยากก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเรากด เ, เราเกลียดใครแล้วก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นหรือว่าความโกรธความเกลียด ก, ก็เช่นเดียวกันนะ เวลามีความโกรธนี่เราจะถนอมรักษาหวงแห่งความโกรธนั้นเอาไว้นะยิ่งเป็นความพยาบามด้วยแล้วนี่ยิ่งไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยจะกอดมันเอาไว้จะรักษามันเอาไว้ใครมาบอกว่าให้อภัยก็เถิดไม่ชอบนะนอกจากจะไม่ให้อภยัยเขาแล้วยังโกรธคนที่มาแนะนําให้อภยัยทางที่รู้ว่าความโกรธนี่มันเผาล้นจิตใจ บางคนนี่พยายามเก็บความโกรธความพยาบาทเอาไว้แม้เวลาจะผ่านไปกลัวลืมนี่นะกลัวลืมว่าจะหายโกรธบางทีสลักนะชื่อคนที่เกลองโกรธเอาไว้ตามข้อแขนหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อจะให้ไม่ไม่ลืมความโกรธประเทศจีนเมื่อหลายเมื่อรักสอ0สอง ส, อง ส, องสมพปีก่อนมันมีพระราชาหน่ชื่อว่าโกจิยงมีคราวหนึ่งก็บ้านเมืองของตัวเองถูกยึด นะแพ้ส ง, ส, สงครามตัวเองถูกจับไปเป็นนักโทษนะที่จริงก็สมควรตายนะเพราะว่ า, าเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าเจ้าเมืองของเมืองเขาเขาค่า่ปราณีนะก็ให้ไปเป็นคนเลี้ยงมา้าก็รู้สึกเจ็บปวดมากจากพระราชามากลายเป็นคนเลี้ยงมา้านะขับแค้นใจมากนอกจากเมืองจะถูกยึดแล้วก็ยังรู้สึกเสียหน้าเสียเกียรติก็พยายามที่จะ พยามที่จะอเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็บังเอิญไปทำความดีความชอบนะพระราชาเขาก็เลยไว้ใจก็เลยปล่อยปล่อยออกมาเพราะคิดว่าคงจะไม่เป็นอันตรายกัวเจ้ยงนี่เมื่อกลับมาสู่เมืองของตัวเนี่ยก็คิดถึงแต่การแก้แค้นแต่ก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นปีๆอาจจะเป็นถึง1ิปีในการที่จะแก้แค้น นักแกททำไงเพื่อที่จะไม่ให้ลืมความโกรธนะก็เวลานอนเนี่ยก็ไม่ใช่นอนบนที่ฟูกบนฟูกอันสูงใหญ่นะแต่นอนบนบ น, บนกองฟางแล้วก็เวลากินอาหารก็กินอาหารแบบตำต ำ, ตำข้าวหักเติมดีเข้าไปด้วยให้มันขมเพื่อให้จำได้ถึงความรู้สึกขมขื่นสมัยที่เป็นคนเลี้ยงมา้า ทั้งหมดนี้เพื่อจะได้ไม่ลืมไม่ลืมความโกรธเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตแบบพระราชาเหมือนเดิมนอนบนที่นอนสูงใหญ่กินอาหารสบายอาจจะลืมความโกรธความพยาบาทได้กลัวลืมแนะโกรเจงกลัวลืมความโกรธก็พยายามเลี้ยงความโกรธได้วิธีนี้ผ่านไปสิบปีนะก็สามารถที่จะรวบรวมรีพนได้เป็นจำนวนมากและสุดท้ายก็ยาตาทับไป ไปยึดเมืองนั้นแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองนั้นตายเาไม่ให้เจ้าเมืองเป็นพระราชายองค์หนึ่งเป็น อ, องอ์อีกองค์หนึ่งนี่เป็นตัวอย่างคนที่นะทนั้งที่รู้นันว่าความโกรธทั้งที่ความโกรธนี่มันเผาใจแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะละไม่ยอมที่จะสลัดความโกรธนะพยายามที่จะหวงแหนเอาไวนะ้พวกเราคงจะรู้สึกได้ในเวลาเราโกรธใครสักคนนี่ จะยากที่จะรู้สึกว่ามันยากที่จะให้อภัยยากที่จะลืมได้แม้คนหวังดีมาแนะนําให้ให้อภัยเขาก็ไม่ยอมหาเหตุหาข้ออ้างต่างๆว่าไม่ให้อภัยเช่นจะให้อภัยได้ก็ต่อเมื่อเขามาขอโทษคนมักจะพูดอย่างนี้ฉันจะให้อภัยมันได้ก็ต่อเมื่อมันมาขอโทษนะถามว่านี่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องหรือเปล่านะ เวลาเราเจ็บเวลาเราปวดวเวลาเราเวลาเราเจ็บป่วยนะเราก็ต้องสิ่งที่เราควรทำอย่างแรกคือว่ารักษาตัวให้ให้ให้หายความโกรธเนี่ยมันเหมือนกับมีที่กรีดใจให้เป็นแผลเมื่อใจเราเป็นแผลอย่างแรกที่เราต้องทําคือว่ารักษาใจของเราให้หายไม่ใช่ไปหาข้ออ้างว่าเขาต้องมาขออภยัยเราก่อนเอาคนที่ เรียกร้องขออ้างคนที่เรียกร้องว่าเขาต้องอภัยฉันมาขอโทษฉันก่อนจัน จ, งจึงให้อภัยคนที่คิดแบบนี้ก็ไม่ต่างจากคนที่โดนรถเฉียวชนบนทางม้าลายเจบ็บแขนหักขาหักก็มีรถพยาบาลมารอรับแต่เขาปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวจนกว่าคนที่ขับรถชนแล้วหนีนั้นเนี่ย จะมาขอโทษเขาถ้าคนที่คิดแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยเราเรียกวคนฉลาดหรือเปล่าตัวเองเนี่ยแขนหกักขาหากัหากหรือว่าเจ็บปวดเพราะรถชนนะแทนที่จะรีบไปโรงพยาบาลนะต้องให้คนที่ขับรถชนแล้วหนีนี่มาขอโทษก่อนถ้าคนที่คิดแบบนี้ก็เรียกวไม่ให้คนฉลาดนะเพราะว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องรักษาตัวอย่างแรกส่วนเขาใครก็จะมาขอโทษอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องภายหลัง เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราต้องรักษาตัวให้เราให้หายซะก่อนทนองทานองเดียวกันเวลาเรามีความโกรธนะให้รู้ว่าเนี่ยเรามีแผลใจแล้วเราต้องรักษาแผลใจนะรักษาอย่างไรก็คือให้อภัยการให้อภัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้นะความความทุกข์ในจิตใจเราลดลงได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้อภัยพยายามรักษาความโกรธเอาไว้รวมทั้งความเกลียดด้วยความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะรู้สึกผิดในเรื่องใดก็ตามผ่านไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ยังไม่ยอมที่จะปล่อยวางความรู้สึกผิดนั้นบางคนนี่เผลอทำให้ลูกแท้งตอนที่ลูกแค่หกเจ็ดเดือนเพราะไม่เชื่อฟังหมอ หมอบอกให้พักผ่อนก็ไม่ยอมพักไปทำงานหมอบอกให้เข้าโรงพยบาบาลก็เข้าโรงพยบาบาลตอนเช้าพอเย็นหมอกลับบ้านแกก่อนจะโรงพยบาบาลไปทำงานจนแท้งลูกเสียใจว่ามีส่วนทําให้ลูกตายพาไปสามสิบปีก็ยังไม่ไม่รู้สึกคลายความทุกข์เลยสามสิบปีใช่กนะ็ยังไม่ รู้สึก ก, ก็ไม่ยอมปล่อยวางไอความรู้สึกนั้นทั้งที่มันเผาจิตใจมากมันทิ่มแทงจิตใจมากถึงบอกว่าสิ่งที่เราสลัดได้ยากเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่เรารักหรือให้ความสุขกับเราสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็เราก็ยึดเหมือนกันนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางพระเจ้าเคยเปรียบเทียบนะว่ามีคนที่ เขถือดุ้นไฟอยู่ถือดุ้นไฟอยู่ในมือนะป่า ก, ก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนแต่ก็ไม่ยอมปล่อยดุ้นไฟดุนฟืนนั้นลงพื้นนะป่า ก, ก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนเหลือเกินแต่ไม่ยอมปล่อยนะคนส่วนให ญ, ญ่เป็นอย่างนี้นะที่ทุกทุกทกเนี่ยพอไปยึดมั่นไปไปไ ป, ไปแบบเอาไว้ไปแบบสิ่งที่มัน สร้างความทุกข์แก่จิตใจไปเก็บไปหวงแหนนะฟืนไฟนะที่มันเอาแต่เผาร่างกายเผาจิตใจพูะเจ้าอุปมาอุปไมนี้เนี่ยท่านเปรียบท่านจงใจที่จะเปรียบว่าไอ้ดุ้นฟืนเนี่ยมันเหมือนดุ้นไฟเนี่ยมันเหมือนกับกิเลสนะ คนก็ทุกคนก็บอกว่าทุกทุกทุก ล, ล้อนหรือเกลนล้อนหรือเกินแต่ไม่ยอมละกิเลสนะก็ยังหวงแหงกิเลสเอาไว้แต่ที่จริงนอกจากรุนไฟจะหมายถึงกิเลสแล้วมันก็ยังหมายถึงสิ่งที่เรายึดติดถือมั่นด้วยเรายึดติดถือมั่นด้วยอำนาจงกิเลสด้วยตันหาด้วยมานะด้วยทิฏฐินะทั้งทั้งที่มันทุกนะแต่ก็ไม่ยอมนะความที่การที่เราไม่ยอมให้อภัยเพราะมันมีมานะทิฏฐิเข้ามา คนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดจะเป็นลูกก็เลยยิ่งเกิดมานาทิฐิมากขึ้นว่ามันเป็นลูกนะมันต้องมาขอโทษฉันก่อนไม่งั้นฉันไม่ให้อภัยมันนะหรือว่ามันเป็นรุ่นน้องมันต้องมาขอโทษฉันก่อนเพราะนั้นเนี่ยฉันไม่ให้อภัยมันก็เลยเก็บความโกรธเอาไว้ก็คือการถือดุนดุนไฟอยู่ในมือนั่นแหละมันก็เผาวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไม่ยอมปล่อยทั้งนั้นที่ก็ตะโกนว่าร้อนร้อนร้อน ความทุกข์ของคนนะมาดูให้ดีๆนะมันก็เพราะว่ามันไปยึดไปแบกสิ่งที่กรีดแทงจิตใจหรือเผาล้นจิตใจ ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่าทุกข์นะ ท, ทั้งทั้งที่รู้สึกว่าทุกข์นะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยก็ยังกอดก็ยังถือก็ยังยึดมันเอาไว้ทําไมนะก็เพราะความหลงความความลืมตัวนะ ความหลงความลืมตัวเหมือนกับคนที่แบกแบกโองง่งหนีไฟด้วยความตื่นตระหนกตกใจเห็นอะไรใกล้มือก็นะรีบแบกเพื่อที่จะพาหนีออกจากบ้านสิ่งที่ควรแบกไม่แบกหรือสิ่งที่ควรเอาหนีไม่เอาไม่เอาไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือว่าอเอกสารสําคัญนะกลับแบกเอาโอ่งไป จริแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตกใจนะแต่พอหายตกใจก็รู้สึกมันหนักแต่หนักแล้วก็ยังแบกไว้อีกนะเพราะยังมีนะความเพราะความเดิมตัวด้วยเหตุ น, นี้แหละสติถึงสําคัญนะเพราะสตินี่มันทําให้เราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดความรู้ตัวขึ้นมาจากเดิมที่อารมณ์คร่องนำจิตใจจน ลืมตัวพอมีสติมันก็วางอารมณ์นั้นไดนะ้แล้วมันก็เห็นว่าโอ้นี้เราแบกความทุกข์ไว้มากมายก็ทำให้ปล่อยขึ้นปล่อยลงไปได้เองนั่นะาการมีสติจึงสำคัญมากในการที่จะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าไม่ว่าจะยึดมั่นหรือแบกอารมณ์ใดๆไว้หรือว่าความคิดปรุงแต่งนะ ถ้าไม่มีสติเมื่อหนหลยก็คิดยืดยาวและตลอดเวลาที่คิดก็ทุกนะแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีสติคนที่นอนไม่หลับนะจัน ก, ก็ ค, คิดคิดคิดคิดในด้านนี้ก็รู้สึกเป็นทุกข์ที่นอนไม่หลับนะแต่ก็ยังคิดไปเรื่อยๆเพราะตอนที่คิดเนี่ยตอนที่ฟุ้งนี่มันลืมตัวลืมไปได้วยซ้ําว่ากําลังทุกอยู่ คนที่โกรธเนี่ยเวลาโกรธมากๆนี่มันไม่รู้ได้ซ้ำนะว่ากำลังโกรธนะก็ถึงปล่อยใจไปตามความโกรธแล้วก็ยิ่งประคบประงมงรักษาความโกรธนั้นเอาไว้แต่พอมีสติรู้ตั ว, ตวรุปนี้มันวางได้เลยนะมันวางได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาหมั่นสร้างความรู้สึกตัวหมั่นสร้างสติให้มีขึ้นนะสติมันแปลว่าความะระลึกได้นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้สัมมาสติคือความะระลึกชอบะระลึกชอบในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงะระลึกในเรื่องกายและใจอย่างที่เราสวดสาธยายไปคนเราะระลึกได้ในหลายเรื่องแต่บางทีเราเราระละึก ที่ไม่ชอบก็มีเช่นเราลึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราโกรธเราลึกถึงการกระทําที่ไม่ดีของบางคนที่ทําให้เราโกรธนะเราลึกถึงวางสี่งบางอย่างที่ทําให้เราเกิดความโลภนะเกิดตัณหาเกิดกิเลสราคะขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ผิดนะระลึกบางอย่างก็เป็นระลึกที่กลางๆงนะ เช่นจําได้ว่าเราวางรองเท้าไว้ที่ไหนลงไปข้างล่างนี่เราจําได้ว่าเราวางรองเท้าไว้ที่ไหนเดินออกเดินกลับแล้วก็รู้ว่าจําได้ว่ากุฏิที่พักเราอยู่ตรงไหนเบอร์อะไรอันนี้ก็เป็นความระลึกได้นะเป็นความระลึกได้แต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นความระลึกชอบมันเป็นความระลึกแบบธรรมดาธรรมดา จะมีประโยชน์ก็ได้ไม่มีประโยชน์ก็ได้และที่สำคัญคือมันเป็นความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวนะไม่ใช่เรื่องกายและใจถ้าเราระลึกได้ในเรื่องกายและใจก็คือว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวก็เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ก็ระลึกได้ว่านั่งอยู่กําลังสวดมนต์ก็ระลึกได้ว่ากาลังสวดมนต์อยู่คือพอขณะที่สวดมนต์ใจมันลอยใจมันลอยคิดโน้นคิดนี้ก็ระลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่อ้าวกลับมา อันนี้เรียกว่าระลึกชอบนะเป็นสัมมาสติเป็นการระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจนะกําลังสบายกําลังสบายสบายอยูนะ่พอมีเสียงดังเข้ามากระทบโกรธขึ้นมาไม่พอใจเสียงขึ้นมาก็ระลึกไดนะ้ว่าเมื่อกี้นี่เรากำลังเมื่อกี้เรายัางสงบดีอยู่เลยก็รู้ทันอารมณ์ รู้ทันความโกความโมโที่เกิดขึ้นก็วางมันลงได้มีคนจำนวนมากที่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวเยอะแยะนะจำวันเกิดเพื่อนได้จำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้นะจำข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตจำข้อมูลข่าวสารในรอบโลกได้แต่ว่าไอ้ความระลึกได้ในเรื่องตัวเองนี่น้อยเวลากินข้าวใจก็ลอย เวลาสวดมนต์ใจก็ไม่รู้ไปไหนเวลาให้สร้างจังหวะเดินจงกรมก็ไปโน่นไปนี่คิดเป็นคุ้งเป็นแควแยกมากมายอันนี้เรียกว่าลืมตัวในทางพุศาสนาเนี่ยลืมตัวนี่มันน่ากลัวกว่าลืมอย่างอื่นนะลืมลืมของนะลืมนัดนี่ ยังไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวเพราะลืมตัวแล้วเนี่ยมันสามารถจะทําสิ่งที่เลวร้ายได้เช่นลืมตัวก็เลยทําร้ายคนอื่นเขาบางทีพ่อลืมตัวก็ทําร้ายลูกลูกลืมตัวก็ทําร้ายพ่อให้ลืมอย่างอื่นนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าลืมตัวแล้วนี่มันสามารถจะก่ออันตรายทั้งกับคนอื่นแล้วกับตัวเองได้แม้ใครที่ มีความจำได้ในเรื่องนอกตัวมากมายเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าพอแล้วนะมันต้องฝึกให้มีความระลึกได้ในเรื่องตัวเองให้ไวๆไอการระลึกได้ในเรื่องนอกตัวนี่นะมันบางทีมันก็เป็นเรื่องใยเป็นเรื่องของไว้ด้วยนะคนที่พอแก่ตัวแก่ตัวลงไปนะไอความที่จะจําโน่นจํานี่อะไรได้ก็ค่อยก็ชักจะแย่ลงบางทีจําชื่อคน ไม่ค่อยได้ละเรื่ชื่อไม่ค่อยออกนะรู้ว่าเป็นเป็นเพื่อนแต่จำชื่อไม่ได้หรือบางทีทำทาอะไรสักอย่างเนี่ยประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมละอย่างแม่ยายของเพื่อนคนหนึ่งนะมาจากต่างจังหวัดนะมาเยี่ยมหลานชายก็พาหลานชายไปกินอาหารนะเสร็จแล้วก็ถา่ายไตถามทุกสุข แล้วถามว่าพอใช้ไหมหลานก็บอกว่ามีเงินพอใช้ครับแต่ยายก็เป็นห่วงนะควักเงินมาให้สองหมื่นหลานก็ขอบคุณนะดีใจเสร็จ แ, แล้วก็คุยกันไปสักพักกินข้าวไปสักพักยายก็ถามอีกว่าช่วงว่าเดี๋ยวนี้มีเงินพอใช้ไหมหลานก็บอกว่ามีพอครับยาย ก, ก, ก็ไม่ว่าอะไร ผาไปห้าทียายก็ถามอีกมีเงินพอใช้ไหมคนนี้หลานต้องการแก้งยายก็บอกไม่มีเลยครับยายยายก็เลยควักกระเป๋าเปิดกระเป๋าตกใจ เ, เงินมันหายไปไหนนะตกใจนะเงินหายไม่รู้เงินหายไปไหนนะหลานก็เลยบอกว่ายายเพิ่งให้ไปนะครัเมื่อกี้เนี่ยสองหมืนอันนี้เรียกว่าคนเราพอแก่ตัวเนี่ยมันหลงลืมง่าย นะให้เงินไปแล้วก็ยังลืมว่าให้ไปบางทีกินข้าวไปแล้วก็ลืมลืมกินก็มีแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่ไม่ต้องรอให้แก่นะให้ความลืมตัวนี่เกิดขึ้นง่ายเหลือเกินส่วนมนตสักพักไปล้วลืมตัวแล้วเดินจงกรมสักพักไปแล้วลืมตัวแล้วนะลืมว่ากําลังเดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะประเดี๋ยวเดียวลืมแล้วว่ากําลังสร้างจังหวะไปไหนไม่รู้ ยังหนุมยังสาวนี่ก็ลืมตัวได้ง่ายนะัะนั้นเนี่ยนี่ต้องเราต้องฝึกนะต้องมีความเพียรในการที่จะฝึกให้มีสติให้ระลึกรู้รู้สึกตัวนะให้ไหวแล้วมันจะทำได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ความรู้สึกตัวก็จะต่อเนื่องความลืมตัวก็จะเป็นช่วงๆก็จะหายเป็นช่วงๆ แต่มันจะไม่มาเร็วมันก็จะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและนี่มันจ ะ, เ ป, นะเป็นขั้นแรกในการที่จะทำให้เราปล่อยวางปล่อยวางความคิดปล่อยวางอาดีตอนาคตนะความคิดปรุงแต่งไปในทางลบเรารู้ทันแล้วก็วางเราไม่เชื่อมันนะความคิดมันเกิดขึ้นในใจในหัวเราก็ไม่เชื่อมันง่า ย, ายเวลามีความรู้สึกต่อต้านผักไสสิ่งใดพอเราลึกได้รู้ทันเราก็ปรับใจให้เป็นกลางนะ อันนี้ก็ช่วยทำให้ความทุกข์มันลดลงได้เยอะอาแล้วคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะอา้าวกราบระ